เทศอบรมพระวันที่ส7บเจ็ดเดือนมีนาคมพุทธศักราชสอง3ห้ายสสาเทศกันนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านอาจารย์พระมหาบัวยานะสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เผ็ดร้อนไปตลอดและเรียงลำดับจนถึงจุดสุดท้ายแห่งธรรมดีมาก ลุกใจดีมากพระเจ้าก็ดีพระสาวก็ดีท่านสั่งสอนท่านเป็นปุริษะธรรมสารติสัตถาเทวมนุ ษ, ษานองพระองค์ทรงฝุกบุรุษก็หมายถึงพระองค์มหาบุรุษทรงสั่งสอนพระองค์เป็นที่รบะลอยแล้วรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงเลยให้ การอรวมสั่งสอนมีใครเหมือนพระพุทธเจ้าเราเรายัางมากก็สอนเฉพาะพวกคนด้วยกันก็ยังไม่หวาดไม่ไหวพระพุทธเจ้ายังสอนพวกเทวบุตรเทวดาที่มนุษย์ทั้งหลายไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตานเนื้อนั่นเลยซึ่งไม่ใช่ทิสัยของมนุษย์พระองก็สามารถสั่งสอนได้สัตตถะเทวมนุษย์นั่นเอง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 พระสาวกก็ได้รับการฝึกฝนอบรมจากพระพุทธเจ้าและทาหน้าที่ตนโดยเฉพาะงานของตนรีบเร่งข้นขวายทำไม่หยุดไม่หย่อนอยู่ที่ไหนทาแต่งานพระสาวกในขั้งพุทธการงานคืองานรื้อถอนกิเลสตัณหาอสศวะงานรื้อภพรื้อชาติรื้อวัตะสงสารความเกิดแก่เก็บตายซึ่งเป็นสาเหตุมาจากอาวิชชาตัณหาอุปท า, านเป็นต้นพระองค์ทรงชี้วิธีการให ซึ่งไม่มีโลกใดคนใดสามารถที่จะชี้แนวทางแก้กิเลสที่เห็นมาเป็นข้าศึกเพราะโลกทั้งหลายไม่ได้มีความสะดุดใจเลยว่าสิ่งที่มันเกี่ยวข้องอยู่ภาณใจิตใจมันคือกิเลสทนในชื่อกิเลสว่าเป็นภัยแก่นตนจึงไม่มีใครสะดุดใจแต่พระองค์ทรงทราบ ทรงค้นจนพบตัวภัยที่มีอยู่ภายในพระไทยของพระองค์จึงถอดถอนออกหมดสิ้นโดยประการทั้งปวงไม่มีเหลือเลยก็คือวันเพ็ญเดือนหกที่ปาดตรงกับวันต ร, รัสจรูนั่นแหะพระองค์ทรงทรงค้นพบสิ่งที่เป็นก้าเสือกและรื้อถอนออกจนหมดจากพระไทยกลายเป็นพระไทยที่บริสุทธิ์สุข眷ธรรมะซึ่งเป็นของมีอยู่ดั้งเดิมตั้ง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 เพราะฉะนั้นการที่จะพิสูจน์เรื่องาศาสนธรรมหรือธรรมแท้ที่พระองค์ทรงแสดงออกมาพอเพียงเป็นกิริยาแปดหมื่รรมขันนี้เรียกวกิริยาเราไม่สามารถที่จะค้นพบได้ด้วยควาการจดำจำเรียนมามากมาน้อยเพียงไรก็ได้แต่ชื่อของกิเลสทัณหาอาสวะประเภทต่างๆและชื่ออัดชื่อธรรมชื่อมรรคผลนิพพานได้แต่ชื่อของมันไม่แต่ตัวของมันแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นเดียวกันกับ เรา ร, รู้ชื่อจำชื่อได้พวกเสือร้ายต่างๆที่มันกอความไม่สมบูรณ์และทำความเสียหายแก่ประชาชนสังคมต่างๆจำชื่อมันได้เท่าไหร่ก็ตามแม้เพียงแต่จำชื่อเท่านั้นแม้จะจำโคจำแท้มันได้มาไว้ในแฟ้มหนาได้เป็น ต, ต, ตึกก็ตามก็พวกเสือร้ายเหล่านั้นแหละเป็นผู้ทำลายความเสียหายแกย่สังคมต่างๆ ต่อมเมื่อได้มีภาคปฏิบัติจับตัวมันได้แล้วนั่นแหละเสือรายเหล่านั้นจึงจะหมดลิ์หมดเดชไม่สามารถที่จะทำมรรลาแกี่ยวกผู้อื่นผู้ใดได้ในกิเลแเราจำได้แต่ชื่อความโลภ ก, ก็ดีความโรกรธก็ดีความหลงก็ดีจำหน้าจนปากฉีก่ก็ตาม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 เดี๋ยวความโลภแสดงออกมาเหยียบย่ําทำลายจิตใจเดี๋ยวความโกรธความถึงเฉียวความไม่พอใจแสดงตัวออกมาก็เหยียบย่าจิตใจโมหะความรุ่นแรงงมงายไม่รู้ดีรู้ชั่วต่างๆลืมเนื้อลืมตัวแสดงออกมาแต่ละแต่ละอย่างแล้วอย่างก็มาเหยียบย่าําทําลายหัวใจให้รับความเดือดร้อนอา้าวความนักความกําหนัดยินดีเกิดขึ้นมา ออกมาก็มาเหยียบหัวใจนั้นให้บอบช้ำอยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิตที่เคลื่อนไหวมีแตเรื่องของกิเลสออกเห ย, ยียบย่าทำลายจิตใจทังนั้นเรายังไม่สามารถที่จะรู้ได้เห็นได้มีอยู่กับหัวใจทุกคนแต่ทําไมพระพุทธเจ้าทรงรู้ได้เห็นได้ตลอดถึงการรื้อถอนออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นนะพระองค์า่ากิเลสฆ่าท่าสุขให้ตายพินาศพิภาจากพระไทยแล้ว อยู่สบายดังนั้นก่อนนําวิธีการนี้ออกสอนโลกให้รู้เรื่องรู้ราวว่ารู้ไหมเวลานี้ค่าสื่อเต็มหัวใจทุกๆ ท, ท่านบรรดาศาสตร์โลกที่หมุนเวียนเกิดแก่เก็บตายนี้เป็นสาเหตุมาจากไหนพวกท่านทั้งหลายรู้แล้วอย่างเหมือนอย่างถามประกาศถามอย่างนั้นเองซักกันอย่างนั้นมันอันนี้มันอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายรู้ไหมมันเหยียบย่ำทำลายอยู่ในหัวใจทุกทกขนาดกิจ ท, ที่เคลื่อนไหวออกมาภาคกันทราบแล้วยัง อันนี้คือตัวค่าศึกอย่าเพลิดเพลินอย่ารุ่มหลงกับมันจนเกินเหตุเกินผลฉะ น, นั้นก็ยกขึ้นเป็นภาสิทธิเพียงเป็นสักขีพยานต่อกันว่าโกนุห้าโซจิมานันโดนิตังปัชไิเตสติอันทก้เดนะโอนัธาปฏิบังนั ก, กเวสถะเมื่อโลกฐานนิวาสนี้มีความรุ่มร้อนเทาลนอยู่ตลอดเวลาด้วยอานาจแห่งราคะตันิเลสตัหาอสวประเภทต่าง อยากย่ำทำลายจิตใจยอยู่ทําไมพวกท่านทั้งหลายจึงเพลิดเพลินรื่นเริงกันไม่รู้เนื้อรู้ตัวจนไม่ทราบว่าจะตายวันไหนเหมือนกับโลกนี้ไม่มีป่าช้าทําไมจึงเป็นอย่างนั้นมืดตามคำขาวอยู่ยังไงหัวใจมีความรู้มีทําไมไม่คิดไม่อ่านสติปัญญามีทําไมไม่คิดเหมือนอย่างนั้นแล้วเมื่อใดพวกเธอทั้งหลายจะสาธนทั้งหลายจะส่อสแสวงหาที่พึ่งเมื่อโลกทนันิวาดมันบุ่นวากันอยู่ด้วยอานาจของกิเลสเป็นเจ้า คงหัวใจระเหยย่านธรรมรอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้ยังไม่เห็นโทษทั้งมันอยู่เลยถ้าเห็นทษแล้ววิธีการที่จะนำออกรัฐาคตกทิจยังไม่แล้วนี้ทราบแล้วยังเชื่อแล้วยังเชื่อรถาคตรถาคตฆ่ากิเลสทั้งหลายประเภทต่างๆที่มันเป็นค่าถึกนี่ได้ตายชิปหายลงไปแล้วจากใจด้วยวิธีการอย่างนี้ยงนี้มีมัชฌิมาปฏิปชาเป็นต้นนั่นพระพิฆาทรงสแสดงนั่นท่านฆ่าตัวเสือร้ายได้แล้ว เขามาบอกวิธีการท่านเองก็อยู่เป็นสุขและนําอุบายวิธีการไปสั่งสอนสัตว์โลกผู้ที่มีหูมีตาตื่นอกตื่นใจบ้างก็ในตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยการประพฤติธปฏิบัติกําจัดกิเลสที่เป็นข้าศึกอันใหญ่หลวงอยู่ภายในจิตใจมาตั้งกับทั้งกันนั้นให้สลายตายไปจากจิตใจกลายเป็นสันข ง, สนงขังสนังคาฉามีของพวกเราขึ้นมาท่านเหล่านี้เป็นผู้เอาจริงเอาจังในการประพฤติธปฏิบัติ ไม่ว่าพระสาวกองคใดออกมาจากสักด ah. ุมพระราชามหากษัตริย์เจตถีกระดุมผีพ่อาค้าประชาชนกระทั่งถึงคนธรรมดาท่านผู้ใดออกมาได้รับพระว่าจากพระที่เจ้าแล้วถึงใจถึงใจถึงเรื่องทั้ ง, งทั้งทางโทษถึงใจทั้งทางคุณเรื่องของยิเหลียมตัญหาอาสวะพระองค์ก็ชี้แจงให้เห็นอย่างชัดๆว่ามันฝังอยู่ที่หัวใจเหมือนน้ำฝังจมอ ย, อยู่ในพื้นเท้าว น, นั่นเอง เขาจะถอดก็ถอดไม่ถอดก็อยากจะทรมานอยู่นี้ตั้งกับตั้งกันหาเงินตัวเงิน ต, ต, ตายไม่ได้ก็เอาไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดที่จะมารับผิดชอบรับความทุกข์ความทรมานจากจากความประมาทของตนนอกจากตัวเองเท่านั้นจ ะ, จะรับผลแห่งความประมาทของตนถ้าผู้ใดมีความไม่ประมาทจะพยายามแก้ไขหรือถอดถอนออกก็ถอดถอนได้ทําไมถอดถอนไม่ได้ตถาคตเป็นผู้หนึ่งแล้วถ้าถอดถอนไ ม, ไม่เห็นเป็นตัวอย่างนี้เห็นไหมหนาด ถ้าเป็นสิ่งที่เป็นไปไมาได้ตถาคตก็เป็นตถาคตไม่ได้เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ตถาคตได้ทำหนูนเรียบร้อยแล้วทั้งเหตุก็ถูกต้องดีงามทั้งผลก็เป็นที่พอใจท่านพวกท่านท่ท่านา่านท่า่านท่านนท่นท่น่า่านนท่านท่านทาทท่านท่าน่าน่านนานานานทงานท่านท่านท่านท่านท่างท่านท่านท่งนร่านานท่านิ่า่า่านท่านทานทา่่นท่านท่านท่านทนท่นทานา ฟันหันแหลกกันลงไปเอาอดเป็นอดอิม่มเป็นอิม่มลูกขีดตะาบคตไม่ยอมตายด้วยความอดอิ่มเพียงตอนนี้จะยอมตายในการเข้าสงครามเท่าไห น, นสู้กับพิเดีเอาตายเป็นตายเหลือชีวิตเหลือมาให้ึกครองอัดครองธรรมเป็นธรรมสมบัติขึ้นทานในใจิตใจในธรรมกองหัวใจโดยเหตุ น, นี้สาวกทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วด้วยดีจากพระองค์ ยังเที่ยวบําเพ็ญสมณธรรมอยู่าตามสถานที่ต่างๆทั้งวันทั้งคืนเดินเดินด น, นั่งนอนไม่สนใจกับเรื่องสตุปปจัยายฐานทั้งสี่จะมีมากมีน้อยที่อยู่ที่อาศัยเครื่องใช้ไม่สอยการกบกา ร, การฉันเป็นมายังไงทั้งๆ ท, ที่ออกมาจากสกุลกษัตริย์ละเอียดอ่อนที่สุดก็มีแต่เวลาเข้ามาสู่คําเป็นตูกศิตตถาคตปรากฏเด่นในเพศทางพุทธศาสนาแล้วบําเพ็ญเต็มเมตเต็เมนหน่วยเต็มที่เต็มฐานเอาเป็นอาตายเข้าว่า ผลที่จะน่าก็องค์นั้นสําเร็จพระโสดาองค์นี้สําเร็จพระสกิทาค่ะองค์นั้นสําเร็จพระอนาคาองค์นี้สําเร็จพระอรหันเลื่อยไปไม่หยุดไม่หย่อนจนกระทั่งบรรพุทธเจ้าประสิทธิ์พานก็ยังบรรลุตามหลังเอยๆเพราะตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยข้อปฏิบัติสุปฏิปันโนอุทูญานะสามิจิปฏิปันโนคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตร r o n วแน่ต่อมรรคผลนิพพานแน่ๆต่ออัตตต่อธรรมปฏิบัติสมควรจะ่ทาไม่ยิ่งไม่หย่อน เป็นที่เหมาะสมกับการปราบกิบเลสทุกประเภทในบรรดาข้อปฏิบัติทั้งหลายนี่นั่นแะผลของท่านที่ได้มาจึงล่้ำลือ ม, มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้พุทธทางสนังกระฉามไม่ล้ำลือไ ม, ม่กระเทือนหัวใจชาวพุทธเราจะกระเทือนหัวใจใครทำมังสนังกระฉามนีเกิดขึ้นมาจากความรอดรมรอดตายของผู้บําเพ็ญทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระองค์แรกสังขังสนังกระฉามนี้ก็ได้โผล่ขึ้นมา ความตะเกี่ยบตะกายของสาวกทั้งหลายที่เชื่อเชื่อธรรมพระเจ้าอย่างถึงใจ <c oughs> นี่พวกเราทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสเวลานี้เป็นการกำจัดกิเลสหรือมาสังสมกิเลสกันแน่ให้พิสูจน์ตัวเองด้วยดีอย่ามาทำเล่นๆมันเป็นเรื่องการขายศาสนาเหยียบย่ำทำลายศาสนาทั้งๆ ท, ง ท, ง ท, ง ท, งที่ไม่มีเจตนาแต่ความประมาทนั่นแหละคือตัวกิเลสที่ทำลายศาสนาทำลายตัวเองอยู่เวลานี้จะเป็นอะไรไปเสียถ้าไม่แช่นี่ธรรมะพระเจ้านั้นไม่มีแล้ว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 าฟาดันกิเลสประเภทนั้นให้คิดหายไปพวงไม่มีสิ่งเหลือชอบไปหมดนิยานนิกระทธรรมถ้าได้ปฏิบัติตามหลักแห่งสัจขาธรรมแล้วทมนี้ต้องขนกิเลสออกจากกิจจากใจจนไม่มีกิเลสตัวใดมาต่อมีอำนาจมาต่อสู้ได้เลยไม่มีกิเลสตัวไหนมาอวดดีได้เหลือตั้งแต่ใจพระไทยและใจที่บริสุทธนนิ์ท่านั้นนั่น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 อยู่เฉยอยากทำอะไรก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำอยากคุยอยากมั่วอยากสุมกันก็คุยกันไปมั่ว sum กันไปเอาการบ้านการเมืองเรื่องของกิเลสทันห า, ามาส u m ในหัวใจมันเป็นการอบรมธรรมะเข้าสู่ใจได้อย่างไงอย่างนั้นมันตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นศาสนาจึงถูกตําหนิติเตียนเพราะหัวใจของผู้ปฏิบัติศาสนาโศกปลกเรือสามเมื่อสิ่งใดที่เป็นของเรวอสามอันอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องโศกปลกไปด้วย นอย่างอาหารควรจากการรับทานนี้แต่ถ้าตกจากมือลงไปสิ่งคู่เข้ากันกับสิ่งเถากะโกโศกโศกทั้งสี่อาหารประเภทนั้นก็เป็นหน้าอิส่เอียนเป็ไม่ควรจากการรับทานได้เลยนี่ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเมื่อเข้ามาสิงสถิตอยู่กับหัวใจที่รามกตกเกลดก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนี่นี่โลกเขาทาหนิ้ติเตียนถถ้าในนึกศาสนาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ควรเพราะผู้นั้นทําให้เขาทาหนิติเตียนตัวทําให้กงตามหลัก ทำหลัไบไปไหนของพระพุทธเจ้าถ้าพูดถงึงความละเอียดอ่อนถ้านายจะละเอียดอ่อนอยิ่งกว่าศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่แล้วดังเดิมพระองค์ก็เป็นกษัตริย์ขนบธรรมเนียมประเพณีระเบียบแบบแผนทุกอย่างทุกอย่างเป็นจริงละเอียดล้ออกมาจากความเป็นกษัตริย์แล้วเห็นว่าเวลามาประพฤติปฏิบัติอัดทำคำนังสอนของพ ร, ระพุทธเจ้าเขาเอาปฏิบัติอัดทำคำทำเพื่อบรรลุมรรผลิพานพระองค์ก็ทรงทำอย่างเอาจริงเอาจงัง ปรากฏว่าสลบถึงสามครั้งนั่นทุกหรือไม่ทุกการมำเพ็นหรือการต่อสู้กับกิเลสอะไรจะเหนียวแน่นมั่นคงยิ่งกว่ากิเลสอะไรจะแก้ยากยิ่งกว่ากิเลสค่ายากยิ่งกว่ากิเลสช้ำระะช้ำระยากยิ่งกว่ากิเลสไม่มีด้วยเห็นนี้จึงต้องมีแบบมเมตตบไว้เสมอแปดหมื่นสิพันมาธรรมขันนี่แหละคือแบบฉบับวิธีการทั้งเครื่องมือทั้งอุบายวิธีที่จะต่อตู้กับกิเลสประเภทใด พระองค์ทรง ส, งสอนไว้หมดอย่างละเอียดละอีที่ท่วนไม่มีอะไรที่จะแย้งได้เลยจิ่งเยกว่ศักขาแตธรรมจัดจไว้ชอบแล้วทุกอย่างคอให้ปฏิบัติโดยชอบทำตามที่สอนไว้แล้วนี้เถิดนิยานีิกระทาการนําขนที่เด็ดออกจากจิตใจเพื่อความพ้นทุกนั้นไม่ต้องสงสยัยเหตุกับผลเป็นไปด้วยกันนะเราควรจะถึงใจผู้ปฏิบัติ ท, ทั้งหลายยังบวชขึ้นมาทีแรกท่านสอนอจะเข้าใจเป็นเรื่องเล็กน้อย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 ไว้ในตัวของเรานี้อือาหารการบริโภคไม่เอามาจากเนื้อสัตว์เอามาจากไหนมันเต็มอยู่นี้หมดไม่ว่าผักว่ายากกองกันอยู่นี้แหละเนี่ยป่าช้ผีดิบผีสดมันอยู่ที่นี่พิจารณาให้เห็นความปฏิกูลพิจารณาให้เห็นความอนิจจังคือความไม่เที่ยงความแปรสภาพเพราะจิตทั้งเรามันฝืนทากินอยู่เสมอที่ว่าไม่สวยไม่งามมันก็ว่าสวยว่างามเสกสันต์ตั้นยาวเอง อันนี้จ้างไม่เที่ยงมันก็ฝืนมาเที่ยงมันฝืนเอาพ่อคีเดตกับทำเป็นฆ่าสืกการคีเดตต้องพาให้ฝืนการที่ จ, จิตใจของเรายังไม่ยั่งถึงความจริงแห่งธรรมได้กับพ่อคีเดตจีดขวางนั่นเองเห็นอันนี้ไม่งามมันก็บอกว่างามเสียน่ะเราก็เชื่อไปตามกีเดตเสียเพ่อเคยเชื่อกีเดตมานานแล้วไม่เคยรู้สึกตัวเพ่อคีเดตทาพิษเลยนเนี่ยเมื่อเปลี่ยนนั่งก็ต้องยอมจํานวนต่อมัน้วยไปแล้วขนเอาทุกข์ขึ้นมาพรอบหน้าทางกีเดตบังคับบัญชาให้ทําให้คิดตลอด ไม่มีเงื่อนต้นเงินปลายเรื่อยมาเห็นได้จริงก็เชื่อถือธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างง่ายดายแหะนี่เมื่อเป็นอั้างนั้นจึงต้องทุ่มเทสติกำลังความผ้าความเพียรลงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาเป็นเอาตายเพ้าว่าเราไม่เชื่อตถาคตเราจะเชื่อใครการเชื่อกิเลตโลกของสานที่เชื่อจิเลตมานานแล้วใครเป็นคนวิเศษวิโสบ้างเชื่อความโลคหนึ่งความโกรธหนความหลงหนึ่งจนตายกับความโลคความโกรธความหลงเชื่อความรักความชังความ เกลียดความโกรธหนึ่งเชื่อมาโดยลาดับลาดาใครได้รับความวิเศษเพราะการเชื่อที่เด็ดร่างนีไหมถ้าเชื่อทอําเป็นยังไงให้ละความโลภให้พยายามละความโกรธให้พยายามละความหลงให้พยายามละละละฆาตันหาซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งเป็นภัยเหมือนลูกศรที่มแทงหัวใจยอยู่ตลอดเวลาราก็ทุกเกลียดโกรธก็ทุกอะไรทุกทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าที่เด็ดผิดขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรเป็นถูกมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้น นอกจากมันเอาเคลือบด้วยน้ําตาลให้ล่อนิดหนึ่งเหมือนเขาเขาเสียบเยื่อล่อเบ็ดเขาล่อปลานะ่ะเสือบเยื่อใส่ปลายเบ็ดแล้วก็ล่อปลาถ้ามีแต่เบ็ดต้นล้วนปลาก็ไม่จริงต้องเอาเยื่อลอ่อพอเยื่อลอ่อแล้วก็ปลากินแล้วก็ตวัดทีเดียวเสร็จไม่มีเหลือนี่ก็เหมือนกันกิเลนมัน ล, อล่อเรามาทั้งนานเท่าไหร่เมื่อไรเราจะเห็นโทษเห็นขุนพิสูจนถ้ามันเห็นพิเลนทั้งมวลภพชาติทั้งมวล ไม่นอกไม่อยู่นอกเหนือไปจากหัวใจดวงเดียวนี้เลยอันนี้หรอกพระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติพวกเราทั้งหลายพิสูจน์ด้วยการเรียนการตรวจการจาไม่เฉยมันเข้ากันไม่ได้การเรียนก็ได้แต่เรียนการตรวจการจำได้แต่ตรวจ จ, จำถ้าไม่มีภาคปฏิบัติเป็นภาคพิสูจน์แล้วจะไปเห็นความจริงขึ้นมาพระพุทธเจ้าทรง ดำเนินมาแล้วในการปฏิบัติพระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันท่านผู้ที่เป็นอรหันต์ผู้ทังธรรมังส่านงกฉามิด้วนแล้วตั้งแต่ได้รับการพาิสูจน์มาทั้งนั้นแล้วจึงได้ปรากฏเป็นสนนานะของพวกเราไม่งั้นพุทธังท่านนางกฉามินี้เกิดขึ้นไม่ได้ธรรมังก็หาทางเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันเมื่อพุทธะผู้รู้นี้ไม่รู้ถึงทำทำจะเกิดขึ้นได้อย่างไรสังฆังท่านนา ง, งกฉามิก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามีแต่ แต่ความจดความจำไม่เฉยไม่มีภาคปฏิบัติแต่ท่านนั้นปฏิบัติทางนั้นคฟัทงที่ว่าท่านองค์นั้นสําเร็จอยู่ในทางจมกลมทั้งเหล่านั้นสําเร็จอยู่ในท่านั่งอยู่ในเขาลูกนั้นถ้านั้นเงื่อมผานั้นป่านั้นมีตั้งแต่อย่างนั้นทั้งนั้นมีภาคปฏิบตัติยืนก็ดีเดินก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามมีสติสตังระมัดระวังรักษาตัวเสมอด้วยท่าความเพียรไม่ให้ขาดว่าขาดตอนสติติดแนบไปกับตัวกําหนด อะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ดีช่วให้กําหนดรู้เท่าทันมันเสมอ น, นั่นจึงเรียกว่าคนรักษาใจด้วยสติเป็นคนที่จะสะสารกิเลสออกจากใจมเมื่อเรามีความเผลอไม่สนใจกับบัตรกับธรรมจิตใจห่างเหินต่อจิตใจตัดอ่อนสติห่างเหินต่อจิตใจแต่ไปใกล้ชิดกับกิเลสนั่นแหละคือเวลากอบควรเอากิเลสเอาทุกข์ขึ้นมาหาตัวเองเพราะการสนใจกับกิเลสใกล้ชิดกิเลสนั่นเป็นการสร้างเหตุขึ้นมาแล้วเพื่อให้ผลคือความทุกข์ เกิดคือความเดือดร้อนเกิดขึ้นมาจต่ในใจของตดแล้วมันกลมกันไหมกับสุปฏิบโโุญูทุญญาญสายมีกี่เราต้องย้อนเข้ามาหาตัวของเราอย่าไปตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดเพราะเราต่างคนต่างมาแก้กิเลสซึ่งเป็นพิษเป็นภัยอยู่ในหัวใจของตนตั้งดูที่หัวใจนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ดูที่นี่ออาวพิสูจนใจที่เป็นยังไงตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเอาวพิสูจน์ ยังเรียนจำเฉยๆนี่จบแปดหมื่นสพรนมารำมขันก็มีแต่ใบล า, านเปล่าๆนั่นแหละหนังสือเปล่าๆกระดาษเปล่าๆถ้าไม่มีภาคปฏิบัติเข้าแล้วไม่มีทางที่จะพิสูจน์เห็นความจริงได้เลยให้พึ่งทราบว่าพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างอันดีสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างอันดีได้พิสูจน์มาแล้วเป็นที่พอพระไทยจึงได้นําสิ่ง ท, ที่ทรงพิสูจน์เรียบร้อยแล้ ว, ลวนั้นมาสั่งสอนสารโลกเช่นเดียวกับหมอที่เรียนวิชายาตลอดถึง เรื่องอาการทองคนไข่ามาทุกสิ่งทุกอย่างและยาแต่และขนาดขนาด น, นี้ในพิสูจน์ทดลองกันเรียบร้อยเป็นที่ได้ผลเป็นที่พอใจแล้วจึงนํามาช้าแก่คนไข้นี่พระพุทธเจ้าเหมือนกันไม่ใช่พระเจ้าด้นเดาเป็นผู้ที่เอาจริงเอาจังคนเห็นเห็นเห็ผลน่าจึงมาสั่งสอนโลกเนี่ยเอาพิสูจนใจตรงนี้มันเป็นยังไงอย่างท่านอาจารย์ม่นท่านว่าใจนี้คือนักท่องเที่ยวท่านว่านักท่องเที่ยวก็ได้แก่เกิดจากเก็บตาย ตายที่นี่แนละ้วไปเกิดที่นั่นตายที่นไปเกิดที่นั่นมันมีสาเหตุมาอย่างไรเอาพ้นเข้าไปไม่พ้นไม่พ้นจากความขุดความค้นในภาคปฏิบัตินี้จะต้องถึงความจริงเข้าไปโดยลำดับลำดับเอาเบื้องต้นมันเป็นยังไงจิตใจกับตัวเองกลายเป็นอันเดียวกันหมดร่างกายทุกส่วนกับความรู้นี้ไม่ทราบมันเปอะไรเป็นใจอะไรเป็นร่างกายมันเป็นอันเดียวกันหมดเราจึงเมาเอาอย่างสนิทใจว่า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 นี่หละภาคปฏิบัติเพื่อจะพิสูจน์ถ้าเห็นเรื่องของจิตดุนรวนมันเป็นอันเดียวกันกับกายหรือไม่มันมีอยู่หอาการหนึ่งรูปได้จากร่างกายทุกส่วนสองเวทนาสุขทุกข์เฉยเฉยมีทั้งมีได้ทั้งส่วนร่างกายและจิตใจสมสัญญาความจำได้หมายรู้ 4. สังขานคือความคิดความปรุงภายในจิตใจห้าวิญญาณความรับทราบเวลา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 แยกออกเป็นธาตุสี่ก็มีธาตุดินส่วนข้งแข็งก็เป็นธาตุดินส่วนน้ําที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี่ก็เป็นธาตุน้ําลมมีลมหายใจเป็นต้นก็เป็นธาตุลมไฟความอุ่นภายในร่างกายก็เรียกธาตุไฟเมื่อสีอย่างนี้มันสะอาดแลงไปแล้วมันจะเป็นอะไรพิจารณามันเห็นตามความจริงในหลักธรรมที่ทรงสอนไว้นั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้ชัดเจนแล้วจิตก็หายสงสัยเมื่อหายสงสัยแล้วความยึดร่างกายนี้ว่าเป็นเราเป็นของเรา มันก็หมดปัญหาไปเพราะความรู้แจ้งที่จริงได้ย่อมปล่อยวางได้ไม้ว่าสิ่งใดแต่รู้ชัดแล้วหาสงสัยไม่ได้นี่นี่เป็นส่วนหยาบแห่งความยึดถือของร่างกายข อ, ของใจที่ยึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราจากนั้นก็เวทนาความสุขความทุกข์เฉยเฉยมีทั้งทางกาย แ, และทางจิตใจพิจารณาเข้าไปอีกถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอัตาซึ่งมีประจำอยู่กับของเหล่านี้มันเป็นจิตยิงไหมสิ่งเหล่านี้เป็นจิตหมาย หรือเป็นอะไรเมื่อค้นเข้าไปค้นเข้าไปก็เห็นเป็นอาการเข้าไปต่อสายยาวเหยียดเข้าไปถึงจิตนี่มันเป็นสายยาวเหยียดเข้ามาถึงกิตนี่แหละเป็นสายยาวเหยียดที่ทําให้หยุดนั่นยุดนี่ไปเกิดในที่นั่นที่นี่เพราะอันนี้เองนี่เมื่อรู้ทันแล้วมันก็ปล่อยเข้าไปพวกเวทนาพวกสัญญาความจําได้หมายรู้ ก, ก็ต่อสายายาวยืดออกไปจากใจนี่เมื่อพิจารณารู้ชัดแล้วก็ถอยเข้ามาถอยเข้ามาจากกนกระทั่งถึงใจมาดับอยู่ที่ใจเวทนาก็มาดับอยู่ที่ใจมารู้เท่ากันอยู่ที่ใจ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 ก็หลงไปตามนั้นทั้งวันทั้งคืนเล่นกับเงาของตนนดีใจเสียใจเรื่องราวผ่านมาไม่รู้กี่ป um, ีกี่เดือนนะพอรู้ได้ก็เอามาอุ่นขึ้นมาเผาตัวเองอยู่นั้นควรสิ่งที่ดีใจก็ดีใจเป็นลมเป็นแรงไปงั้นอ่ะดีใจลมลมแรงแรงไปเสียใจลมแรงแรงไปทีนี้ความเสียใจมันเป็นมันเป็นความทุกข์จริงๆเราหารู้ไหมน่ะวิญญาณความรับทราบเวลาสิ่งมาสัมผัส รับทราบแล้วมันก็ประดับอยู่ที่ใจนี่เรื่องของปัญญาพิจารณาอย่างนี้นี่เราพูดสรุปสรุปเข้ามานะเพื่อให้พอดีกับเวลาทีนี้เวลาพิจารณาสิ่งเหล่านี้รู้เท่าทันกันโดยลำดับด้วยอำนาจของสติปัญญาทางภาพปฏิบัติแล้วรูปกายนี้ก็รู้เท่าทันต่อยวางได้คำว่าอุปทานในกายไม่มีถอนตัวแล้วเพราะความรู้แจ้งจริงๆด้วยปัญญาเวทนาทั้งเวทนาของ ส่วนแรกที่แรกเวทนาทางกายซะก่อนรู้เท่าทันเวทนาทางกายทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยเฉยปล่อยวางได้นที่สามเราเรียงลำดับเฉเฉยนั่นนี่ไม่ใช่มันจะไปค่อยละนั้นละนี่ไปเรื่อยเรื่ะเวลามันละที่แรกก็ละร่างกายก่อนถ้านั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณซึ่งเป็นนามธรรมมันละอันหนึ่งเท่านั้นมันก็ไปพร้อมกันไปหมดเลยเพราไม่เกี่ยวยงกั น, นสัญญาความจําได้ไหมายรู้ก็รู้เท่าที่ทใจละ ก, กันที่ายสังขาร ก็รู้เท่าที่ใจและที่ใจด้วยสติเนี่ยวิญญาณรับทราบสิ่งต่างๆที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ก็รู้ที่ใจดับตรงที่ใจแล้วรู้เท่าที่ใจอีกและที่ใจอีกนั่นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เรียกว่าอานณาภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นทางเดินของกิเลสตัณหาอสวะอวิชชาซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจแต่ได้ถูกสกัดลัดกั้นตัดสะพานออกหมดไม่มีสินใดที่จะเหลือกิเลส ประเภทต่างๆที่ออกจากวิชาเดินไปไหนไม่ได้ถูกตัดสะพานแล้วตัดเข้าไปตัดเข้าไปจกนกระทั่งถึงดวงจิตเอาเนี่ยการพิสูจน์จิตพิสูจน์อย่างนี้นักปฏิบัติถึงจะรู้ได้ชัดว่าใจนั้นมันเป็นยังไงแท่เป็ปนยางไรแน่ทำเห็นได้ชัดทางภาคปฏิบัติดังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั่นผิดหรือถูกประกันในอภิภัติบัติเข้าไปจับกันพิสูจน์กันจะยอมรับกราบพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยเพราะความจริงเหมือนกันแล้วฝืนไปได้ยังไง <c oughs> ทีนี้เมื่อเกิดปัญหาว่ามันหาที่ออกที่เกาะไม่ได้แล้วมันก็รวมตัวข้องมันเพราะถูกตัดสะพานทางรูปได้แก่ร่างกายก็ตัดด้วยสติปัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตัดด้วยสติปัญญาเข้าไปขาดความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าอุปทานเหลือทั้งแต่จิตล้วนๆกับเชื้อของมันที่เป็นตัวสาคัญนั่นหละที่นี้เราจะทราบได้ชัดว่าตั้งแต่ก่อนนะมัน จะ เ, เกิดที่นั่นเกิดที่นี่มันเป็นเพราะอะไรมันมีสาเยเกี่ยวโยโงไปด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นเหตุนั้นมันถึงได้ทําให้เกิดอย่างนั้นอย่างนั้นอะไรเชื้อพาให้เกิดคืออะไรนี่มันก็เข้าถึงจิตได้จะอวิชชาจริงๆแล้วอยู่ที่จิตนะเมื่อตัดสพานมโนแล้วตัวกิเลสจามปัสสัตว์จริงๆก็คืออวิชชาก็รวมเข้าไปอยู่ที่หัวใจสติปัญญาอย่างลงไปตรงนั้นพิจารณาตรงนั้นเหมือนกับพิจารณาสภาวธรรมต่างๆมีขันห้าเป็นต้น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 ชัญญาความจําได้หมายรู้สั้มคัญและวิญญาณติดใหม่ไม่มีอะไรติดเลยน่ะนี่เรียกว่าพิสูจน์ถ้าเห็นความจริงของจิตที่นี่จิตนี้จะไปเกิดไหมเอาอะไรไปเกิดนั่นรู้แล้วเชื้อทั้งหลายได้ตัดเอาหมดที่จะพาให้เกิดพบน้อยพบใหญ่ตัดทั้งหมดกลายไปจิตที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วจะอาอะไรไปเกิดที่นี่เมื่อไม่เกิดแล้วศูนย์ไหมถ้าศูนย์ทําไมจะรู้ทั้งถ้าศูนย์ทำไมจะบริสุทธิ์ได้ ชีคของที่บริสุทธิ์ได้อยู่มันจะศูนย์ไปได้ยังไงสู์ก็เรียกว่าศูนย์ไปเลยฮะแตนี้ผู้ที่ที่รู้ว่าที่เด็กสิ้นไปมันรู้อยู่นี่มีอยู่นี่บริสุทธิ์ก็รู้ว่าบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดเดือแต่ความรู้ล้นล้วนที่เป็นของพระชจ ร, รไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดเลยก็รู้อยู่ภายใจิตใจนี่แหละธรรมชาติอันนี้แหละที่ท่านพุทธะแท้อืม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 เราจะมาอา่านตั้งแต่คำพีวิเฉยโดยไม่สนใจมาพ้นปฏิบัติไม่พิสูจน์แล้วเอาความจดความจำที่เรียนมาจากตำหนักตำรามาเป็นสมบัติของตนปลอมไปทั้งเพถ้าเราไม่นำมาปฏิบัตินี่ก็เรียนเหมือนกันจนเป็นมหาไม่จชคุยแล้เป็นมหา่าไรมันยิ่งโตขึ้นเท่าภูเขานี่สำคัญว่าตัวรู้ตัวฉลาด น, นักตราดแหลมคมเนี่ยนั้นเป็นกิเลสมันหลอก เวลาปฏิบัติไปถึงได้รู้เรื่องรู้เรื่องไปโดยลําดับลำดับเอ๊ะชอบพลชอบผลนนะักเพราะมันลปล่อยปล่อยปล่อยไปเรื่อยปล่อยจะโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือแล้วมันก็แสนสบายเทนั้นแหละ <c oughs> นี่การที่ปฏิบัติจะยากลําบากเพียงไรก็เอาที่พระพุทธเจ้าเป็นเดิมพันแล้วเห็นไหมสลบสามหนนั่นพระสาวกบางท่านบางองค์ก็ฝ่าเท้าแตกเห็นไหมทุกหรือไม่ทุกการต่อสู้กับพิเลศบางองค์จักษุแตกเห็นไหมนั่นตำหตำนัดตํานามีอยู่แล้วท่านไม่เอา ของหลอกมามาสอนโลกเอาความจริงแล้วเราอยากจะรู้ว่ามันหนักหนาขนาดไหนให้เรากับกิเลสสู้กันดูสิก็รู้เองนี่นะเราไม่ต้องไปดูจะไปคาดของท่านเรื่องของท่านที่ว่าฝ่าเท้าแต่ก็ดีฝาเท้าเราก็มีเอาเอาสิมันเป็นยังไงเดินลงไปลองดูสินั่งเอาเอาจงก้นแต่ก็มันรู้สิว่ามันเป็นยังไงสู้กับกิเลส น, นี่หนักมากหนักนอด อ, อย่างไง ร, รากลาบากแค่ไหน พระพุทธเจ้าถึงได้สําหบถึงสามผยากขนาดไหนที่ในเวลาเราจะสู้กับกิเลสของเรานี้มันยากขนาดไหนเรารู้ในเราเองเราก็ยอมเชื่อท่านเท่านั้นเองเพราะว่ามีอะไรที่จะแก้ยากมากยิ่งกว่าแก้ ก, กิเลสเข้าสู่สงครามอันนี้อะสําคัญมากทีเดียวเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลยเอาให้รู้ไม่รู้ให้ตายทีแรกเราก็สั่งสมกําลังสติปัญญาของเราขึ้นโดยลําดับลําดับนั่งสมาธิาอนาก็ เมื่อมีจิตสงบแล้วมันก็มีความร่มเย็นเป็นสุขภายในใจิตใจเย็นสบายไม่ฟุ้ฟงซ่านําคาญจิตใจที่เคยเป็นเหมือนลิงร้อยตัวมันก็สงบตัวลงได้อ๋อนี่จิตสงบเป็นอย่างนี้เองที่นี่ผลแห่งความสงบที่เกิดขึ้นจากจิตนี่เป็นยังไงตั้งแต่ก่อนเราเกิดมาตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงปัจนนี้เราไม่เคยเห็นความสงบของจิตนี่ได้นิ่งตัวและแสดงผลขึ้นมาแบบความสุขความสบายความอัศจรรย์อย่างนี้เลยคราวนี้ได้เห็นแล้วหนอนั่นด้วยการปฏิบัติไง นี่ขั้นเพียงขั้นสมาธิก็อัศจรรย์แล้วออกกรั้นก็แยกทางด้านปัญญาพิจานาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ตะกอโลกที่มันไปหมดให้เห็นมันเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาเพราะมันเหมือนเหมือนกันหมดเมื่อพิจานาในแง่หนึ่งแล้วมันก็รู้ทั่วถึงไปหมดว่าเป็นลักษณะเดียวกันทิ้งเดียวกว่าโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงโลกก็คือโลกมันเหือนเหมือนกันอนิจจังทุกขังนัตตาเหมือนกันเมื่อรู้ชาตตามเป็นจริงมันก็ปล่อยวางมาโดยลําดับลาดับลำดับนี่เรื่องของปัญญาจนกระทั่งถึงเข้าถึงจิตอย่่่่่่่่าาาาาาาาางงงงงททีีววววเเเนยยมมมือออปปลลขข้้จกระัถึ ให้เต็มที่เต็มฐานแล้วนั่นแหละจะถามหาพระนิพพานที่ไหนนิพพานท่านตั้งชื่อไว้แล้วผู้ที่รู้พระนิพพานไม่จําเป็นต้องไปหาชื่อพระนิพพานไม่ต้องไปตั้งชื่อพระนิพพานแตหาที่ไหนฮให้ชื่อให้นามไว้สำหรับเป็นคุยหมายป้ายทางเทานั้นเช่นทางไปนั้นมีคุยหมายป้ายทางไปไว้อย่างนั้นอย่างนั้นอันนั้นแยกไปนั่นอันนั้นแยกไปนู่นผู้ที่เขาเคยเดินทางสารนั้นแล้วเขาไม่จําเป็นจะต้องไปดูคุยหมายป้ายทางที่เขาเขียนบอกไว้ นั่นเขาเขียนไว้สําหรับผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจจะได้ไปตามลูกศรไปเลยตามที่เขาเขียนป้ายาไว้เนี่ยผู้ที่เคยไปอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องดูป้ายนี่หรือว่าวัดก็ขเขียนป้ายาไว้ติดไว้ที่วัดบอกเช่นวัดบวบรนิเวศเป็นต้นนั่นสําหรับค่าเรนประชาชนในแถวนั้นแล้วที่เขารู้วัดร้อ น, นเขาไม่จำเป็นจะต้องไปอ่านป้ายวัดแบบอยากเข้ า, ข า, ข า, าออก็เข้าวัดจะออกก็ออกไปเหมือนอย่างท่าเรนในวัดนั้นนี่ อัน <c oughs> นี้ก็เหมือนการผู้ถึงรูปปฏิพานธ์แล้วถามหาเรื่องปนิพันอะไรถามมาชื่อปนิพานธ์ที่ไหนถามจังจนถ้ามันบริสุทธิ์เต็มที่แล้วมันอิ่มตัวหมดอืมความหิวความโหยความสงสัยสนเทศที่เคยเป็นมามากน้อยมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเพราะเราไม่เคยรู้ก็ เ, เห็นจริงคนี้เมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วจะหาความอะไรมาสงสัยมันก็สนัดออกหมดเหลือแต่ความจริงล้วนล้นว น, น, วนเต็มหัวใจ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 เพเป็นสิ่งที่รักสงวนอ้ออิงเหมือนกับว่าเป็นอันหนึ่งเป็นเดียวกันกับเราถ้าเราจะต่อสู้กิเลสจกแก้กิเลสจะฟาดฟันหันแหลกกิเลสก็กลัวจะฟาดฟันเราก็กลัวจะต่อสู้กับเรากลัวเราจะรับความทุกข์ความลาบากในขณะเดียวกันก็เราหาได้คิดไหมว่ากิเลสมันหัวเราะนี่ถ้าเรากลัวเราลำบากาก็คือกลัวกิเลสลําบากนั่นเองกลัวเราตายก็คือกลัวกิเลสตายนั่นเองนั่น ที่แล้วก็ว่าจะให้กิเลสตายแต่มันกลับย้อนสอนลูกสอนนาที่สิ่งมัน ก, กลัวกิเลสตายเลยเสียไม่ใช่มาให้กิเลสตายนีนะ่เรื่องหนักทั้งหลายอยู่นี่นี้นทําดูก็รู้เพราะกิเลสมีอยู่กับทุกคนเหนียวนั้นขนาดไหนทําดูก็รู้ไม่จําเป็นจะต้องดูงตั้งแต่แบบแผนของพระพุทธเจ้าวะท่าน ท, ทำอย่า ง, ง, น, ง น, นั้นงั้นสาวองค์ไหนทำงั้น ท่านสอนไว้แล้วเพื่อเป็นแบบเป็นขบับแล้วเอามาพิสูจน์กับตัวเองเพราะกิเลสมันก็มีอยู่หัวใจของเราเหมือนกันเอาให้จริงให้จังแล้วกิเลสจะพังทลายลงไปวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสยัยถ้าปฏิบัติตามหลักมัจจิมาที่ทรงสอนมาแล้วนี้คําว่ามัชจิ ม, มาก็แปลว่าท่ามกลางอืหรือแปลว่าเหมาะสมมชัชจิมามีหลายประเภทเหมือนกับเครื่องมือปราบภาษศ เครื่องมือจะมีแต่เพียงอันเดียวไม่ได้ข้าศึกมีหลายประเภทถ้าศึกมีกําลังมากกําลังน้อยอย่างผ่าผลก็มีเราจะหาเครื่องมือชนิดไหนต่อสู้กับข้าศึกประเภทนั้นๆเฉพาะอย่างยิ่งประเภทที่ผ่าผลที่สุดเนี่ยประเภทที่มีกําลังมากที่สุดเราจะต่อสู้ยังไงนั่นเพราะฉะนั้นมัจจิมาจึงต้องมีเป็นประเภทประเภทไม่ใช่ว่ามัจจิมาปฏิวัตาเดินทางสายกลางไม่ยินนักไม่หย่อนนัก เดินอย่างไรเดินไม่ยิ่งนักมาหย่อนนักนั่นแนะ่ะเราคู้นั้นเองก็ไม่เคยได้เดินไม่เคยได้นาเนินจะไปรู้ได้ยังไงว่ามัชชิมานั่นเดินทางสายกลางอืมสายกลางก็มีแต่หมอนเท่านั้นแหละแต่ว่าอะไรเดินจกมจกจ ก, จกยังไม่ถึงสองสามนาทีแล้วะจิตมันประวัติประวัติกับหมอนน่ะโอ้หะมันจะลําบากมากไปนี่เอาพอดีเถอะกว่า น, นี้มันจะเคร่งเกินไปลงหมอนดันมันเพ่งหรือไม่เพ่ง ครอบครอบจนกระทั่งตะวันแย่ก้นแย่ตูดยังไม่ตื่นน่ะมันเป็นมัชชิมาแล้วหรืออย่างนั้นมัชชิมามัชชิมาดัางนั้นเขาเรียกามัชชิมาหมูขึ้นบนเฉียงแล้วไม่ยอมลงนี่มันจะทันหนึ่กับกิเลสมันเป็นมัชชิมาเพื่อฆ่ากิเลสได้หรออย่างนั้นมันเป็นมัชชิมาของกิเลสต่างหานี่ไม่ใช่มัชชิมาของธรรมที่จะฆ่ากิเลสเพราะฉะนั้นเพื่อให้เป็นมัชชิมา เหมาะสมกับการตราบกิเลสกิเลสประเภทไหนมาวะเนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนกิเลสแล้วก็รุนแรงเหมือนกันนี่กิเลสผ่าผลขนาดไหนมัชชิมาปฏิบัติสติปัญญาสัทธาความเพียรทุกด้านทุ่มลงไปให้ถึงกันถึงกันถึงกันนั่นเรียกว่ามัชชิมาคือเหมาะสมกับการปราบกิเลสทุกๆประเภทเครื่องมือพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นพุที่เจ้าเคยปราบมาแล้วสาวกเคยปราบมาแล้วด้วยมัชชิมาคือเครื่องมือที่เหมาะสมกับกิเลสแต่ละประเภทที่ถือว่าเป็นค่าศึกต่อธรรมต่อสู้คนอย่างนั้น สุ้าก็ทางทลายไปหมดไม่มีสริงในเหลือนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ดีสังฆังสังฆาฉามิของพวกเราก็ดีท่านนั้นอย่างนั้นเราถือท่านเป็นพุทธังธรรมสังฆาฉามิเข้าถึงใจหรือยังถ้าเข้าถึงใจก็ให้เห็นทั้งเหตุทั้งผลทั้งดีทั้งชั่วทั้งโทษของกิเลสทั้งคุณค่าของธรรมให้เห็นความจริงเต็มส่วนด้วยการพุทธปฏิบัติเราอย่ามาเสียดายเรื่องการเกิดการตายซึ่งมีอยู่เต็มโลกนี่แหละเขาไม่ได้ภาวนาาว่าตายเหมือนกัน นี่เราพานาเพื่อหรือถอนที่เด็สซึ่งเป็นงานใหญ่โตสําหรับชีวิตของพระมันช่งานเล็กน้อยแล้วทุกสิ่องทุกอย่างเขาอุ่หนุนหมดจตุปัจจัยทางฌานกีว่ามวิธรรมเสนาสนะกีฬานาเศสสัที่อยู่ที่อาศัยสมบูรณ์บริบูรณ์เฉพาะ อ, อย่างยิ่งวัดป่บรรารนี่จะท่วมพระตายไปแล้วแหล ะ, ละมันสมบูรณ์ทุกสิ่องทุกอย่างเจนกระทั่งนอนใจลืมตัวไปเสีย เราไม่ต้องไปกังวลกับสิ่งเหล่านี้เอาสู้ลงไปถึงระยะที่สู้สู้มันไม่ถอยหน้าที่ของเรามีอันเดียวเทา่านี้เพศก็บอกแล้วว่าเพศนักรบไม่ใช่เพศนักหลบหลบไปหาหลับผ้านอนหลบหลีกเลี่ยมความภาคความเพียรอันไหนที่จะเป็นสาระแก่นสารที่จะทําลายกิเลสอันเป็นตัวฆ่าสิห่หมดไปจากใจไม่อยากทำหลบหลบหลีกหลีกนั่นท้านเรียกว่านักหลบไม่ใช่นักรบถ้าเป็นอย่างนั้นก็มีตั้งแต่กิเลสแล้วเป็นพรงพวง เป็นตู้ตู้เป็นหีบหทับอยู่บนหัวใจนั่นเ <c oughs> ชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมสง์ดั่งถึงใจแล้วย่อมเห็นทั้งโทษดั่งถึงใจเห็นทั้งคุณอย่างถึงใจแล้วเวลาประกอบความเพียรก็เอากันฟัดกันให้เต็มเหนียวให้ได้เห็นว่ากิเลสตายหรือเราตายเอาตรงนี้นะไม่ต้องเอาตรงไหนนะพระพุทธเจ้าก็ดีส่าวก็ดีท่านสู้กับกิเลสกิเลสตายท่านได้ชัยชนะเป็นผู้บริสุทธ์เลิศโลก เราได้ชัชนะหรือได้ความแพ้เวลานี้เอามาพิจารณามาเทียบเทียงที่ถ้าเป็นนักปฏิบตัติต้องสอดต้องแทรกต้องแยกต้องแยกย้อนหน้าย้อนหลังไม่งั้นไม่ทันกับกิเลสอุบายวิธีการต่างๆกิเลสมันแหลมคมขนาดไหนถ้าไม่ผิดสติปัญญาขึ้นให้ทันกันไม่ทันถูกกิเลสเอาหมอบราบไม่มีเหลือเลยนี่เราก็เคยหมอบราบของกิเลสมานานแล้วไม่เหลือผลในการหมอบราบเป็นยังไงบ้าง สาระความปูกความสบายใหม่เอาให้จิตใจมันได้เด่นดวงสิไม่มีสิ่งใดแล้วที่จะเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ให้เด็จิตนี่ได้เอ็นได้เอยียงตั้งแต่วันกิเลสได้ม้วนเสือลงเสือลงไปแล้วมีแต่อิสระเสรีเตรียมตัวเท่านั้นให้ได้เห็นอย่างนั้นสิลูกศิษย์ทถาคตธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะเป็นโมฆะไม่ได้เป็นหมันจึงเรียกว่ามัชชิมาเหมาะสมกับการปราบกิเลสทุกประเภทอยู่ตลอดเวลา ให้นำม า, ชาใช้เหมาะกับเหตุการณ์เหมาะกับที่เหลือประเภทต่างๆอย่างนัก็ไม่พน้นพระพุทธจ้าเป็นยังไงสาวกเป็นยงไงจะต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ดีเมื่อได้นำเครื่องมือของท่านที่มอบให้แล้วมาปฏิบตตัติตัวเองผมชอบอยากให้มีความปักไปต่อมูต่อเพื่อนด้วยความรักความสงสารเมตตาทุกด้านทุกทาง อยากให้หมู่เพื่อนได้เห็นเรื่องของกิเลสกับเรื่องธรรมขึ้นที่ใจเพราะมีอยู่นี้แท้แจึงได้ทุ่มสติการในการสั่งสอนลงอย่างเต็มแม่เต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำไม่เคยปิดบังลี้ลับเป็นยังไงไงหัวใจของเจ้าของเลือกมาให้ดูหมดด้วยวิธีการทั้งเหตุคือการมาพูดปฏิบัติปฏิบัติมาอย่างไรและผลได้รู้ขึ้นมาอย่างไรบ้างนี่ได้เปิดออกมาให้หมดให้หมู่เพื่อนฟังอย่างไม่มีปิดบังลี้ลับถ้าจะเชื่อว่าเป็นความจริงแล้วก็ก็ควรจะดาเนินไป ด้วยความมุ่งมั่นเพื่วความหุดพ้นถ้าว่าไม่เชื่อทบบําเหล่านี้ว่าเป็นความจริงแล้วก็แสดงว่ากิเลสนี้มันครอบเอาเหลือตままจนไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนไม่ได้ยินเสียงอัดเสียงทำไม่เข้าถึงใจเลยมีแต่กิเลสเต็มอยู่หัวใจทําเข้าไม่ได้เลยมันก็ช่วยไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นนี่ได้พูดให้ฟังแล้วทุกยทุกด้านทุกทางทางเหตุก็พูดให้ฟังหนักเบาขนาดไหนเราได้เคยพูดแล้วทั้ง งานของโลกเราเคยดําเนินมาไม่เคยมีงานใดที่เราสละชีวิตเพื่อมันหนักเราก็เคยทําเบาก็เคยทําแต่เวลามาในวงศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งออกปฏิบัติจิตตภาวนานี่ได้ทุ่มลงไปชีวิตจิตใจถึงคราวที่มอบมอบเลยอาวมอบให้รู้ไม่รู้เอาตายก็ตายไม่ตายถึงเวลาที่จะออกจากที่เช่นเดินจนครบมานั่งสมาธิภาวนามันจะเป็นอะไรอ้าถึงไหนถึงกัน เรื่องทุกข์ไม่เลยตายถึงแค่นั้นแล้วสติปัญญาเท่านั้นที่จะสอดแทรกให้รู้เรื่องความจริงทั้งหลายทุกข์ท่านมาเป็นของจริงถ้าไม่รู้ทุกข์เดียก่อนก็ไม่เห็นสุขไม่เห็นความจริงเอาจรงถึงขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่พ้นไปได้สุดท้ายกิดเลสมันก็พังทลายเหมือนกันเนี่ยได้ทํามาแล้วนี่เราวันเอาตายตายลราสละตายลงไปบทจริงๆแล้วกิดเลสมันตายเพราะความเสียสละของเรานั่นจิงคือต่อสู้กิดเลสจริงๆ กลัวตั้งแต่ที่เลด จ, จะทะลอะปอกเปิดกลัวจะที่เลด จ, จะไม่สนุกหลับสนุกนอนสนุกเพลิดเพลินเอหยียบย่ําทําลายจิตใจอถ่ายมูดถ่ายคูดลดลงที่หัวใจอยู่ตลอดเวลาแล้วยังจะเป็นช่วงเป็นฐานเนี่ยมันถ่ายลดอยู่ตลอดเวลาหรือมันดีแล้วเหรออืให้จริงให้จังนักปฏิบัติเวลาอยู่อยู่ที่ไหนให้มีสติอย่าประมาท ดูแต่งหัวใจเจ้าของอ่ะอย่าไปดูอะไรมากที่ผหัวใจกิเลสมันบอกอยู่ที่นั่นมันจะแดงอยู่ที่นั่นส น, สนามลบกิเลกก็อยู่ที่นั่นทำเลที่มันร้องเพลงก็อยู่ที่นั่นปรากิเลกก็อยู่ที่นั่นเวทีเดียวกันเะนี่ยคือใจเอาให้จริงให้จังทำไมอยู่ทำมีงแต่คัมภีร์อทำไม่ทำจริงมันไม่เข้าถึงใจเรา ก็เหมือนศาสนานี่เป็นโมฆะเพราะเห็นอะไรก็พ่อผู้บัผู้นำถือทำจริงจริงอยู่ที่ไหนถ้าไม่จริงที่ใจจริงอยู่ที่นี่สัมผัสสัมพันธ์กันตี่นี้รู้มากรู้น้อยรู้ที่นี้ไม่รู้ที่อื่นจะพ้นจากทุกข์ก็ดีหรือท่านอย่างท่านว่าบันรู้ธรรมถึงขั้นสูงสุดดูรู้พันก็มันรู้กันที่นี่ไม่มีที่อื่นเป็นที่บัรู้ เพราะปราบกิเลสตัวค่าศึกที่ไม่หลุดพ้นจากทุกข์มันกิเลสมันก็อยู่ที่นี่ปราบกันที่นี่กิเลสหมดไปแล้วไม่ถามพระนิพพานถามมาทำไ ม, มเสียเวล า, าเเงากินจังงั้นเลเอาเป็นทอนนี้ก่อนธรรมญาอธิบายให้ปรงน้ตั ง, ตง